การฟังธรรมะเคยเตือนอยู่แล้วที่จะได้รับผลจากการฟังท่องตนคือไม่ต้องกังวลเกี่ยวข้องกับอนใดทั้งหมดในว่าฉันจะอาดีตอนาคตปล่อยกิ่งละช้อนไปหมดในจิตอยูย่ในปัจจุบันนี่คือการฟังธรรมะที่ถูกต้องการฟังธรรมะ หือว่าเป็นการหนังภาวานาไปในตัวพอระยะเวลาฟังธรรมะนาจีการงานภายนอกก็ไม่มีจะคิดอ่านอะไรภายนอกก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวตั้งใจกําหนดให้จิตของตัวสงบจิตของตัวรวมมันจึงจะเกิดประโยชน์จากการฟังไม่อย่างนั้นอารมณ์ทัญญามารบกวนตลอดช่วงความเหน็ดเหนื่อย เจ็บปวดต่างๆรบกวนขึ้นเพราะจิตไม่สงบจิตเกี่ยวข้องกับอารมณ์าสัญญาภายนอกถ้าหาจิตอยู่เฉพาะเรื่องของจิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ใดทั้งหมดกําหนดอยู่เฉพาะเรื่องของจิตแล้วธรรมะจะรั่วไหลเข้าไปสู่ใจของเราธรรมาะิี่แสดงไปจะไปสัมผัสกับใจใจจะได้รับความเบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขความสบายทางกายทางใจในอย่างนั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรให้ไม่เกิดผลตนของตนก็ได้รับทุกเหน็ดเหนื่อยเหมือนหิวไปเปล่าแต่นั้นจึงควรละเรื่องคิดกลงต่างๆออกจากจิตของตนธรรมะที่จะแสดงไปก็ไม่มีอะไรอื่นเพราะธรรมะก็เหมือน ก, นกันกับอาหาร เราทานลงไปก็ทำให้ร่างกายของเรามีกำลังที่จะทำจิตการงานต่างๆได้เพราะร่างกายมีอาหารเป็นเชีองหล่อเลี้ยงรื่งางธรรมะก็เหมือนอาหารสำหรับอาหารใจใจไม่มีธรรมะใจขาดธรรมะใจก็เหี่ยวแห้งใจก็ เสาหมองฉะนั้นเหลืองธรรมะจึงเป็นเหลืองสำคัญแล้วธรรมะไม่มีไม่มี <c oughs> สิ่งอื่นนอกจากอยู่ในกายในจิตของเราอาหารก่อนที่เราทานกราทานเข้าไปในปากของเก่าเนี่ยไม่ต้องไปบอกให้มันไปหล่อเลี้ยงที่นั้นที่นี้แต่มันก็แยกกันไปเองการกำหนดธรรมะกับํารนองเดียวกันกำหนดลงสี่ใจของเราเท่านั้นธรรมะ8มี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าหาใจสงบ ใจอย่างเย็นใจเห็นใจรู้มันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพะมันจุดที่ตรงเดียวเท่านั้นมันก็ใหม่ลุกลามไปหมดที่ไหนมันสงสัยที่ไหนมันขัดข้องมันก็จะนำไปแก้ไขให้จิตใจละถอนปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ขัดข้องของใจเหมือนเราจุดไฟไม่ต้องไปจุดทั่วไปจุดที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นมันก็ไป่วดถึงเชื่อมันมีที่ไหนไฟก็ใหม่ไปที่นั้น นี่เรื่องของธรรมะอยู่กับใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันพอเรากำหนดลงไปใจใดที่มีความสงบพอสมควรความคิดทางปัญญาก็จะเกิดขึ้นมีเรื่องใดที่สงสัยขัดข้องในใจมันจะนำสิ่งนั้นมาพิจรารณาแก้ไขขับไล่ความสงสัยต่างๆให้ตกไปถอนไปใจก็จะเกิดความสว่างสวัย รู้แจ้งในอัดในรรทำคือตัวไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนนี่คือการบำเพ็ญภาวานาละกิเลสนี่ต้องไปกำหนดดูที่อื่นสำหรับตำราภายนอกที่เราเคยศึกษามาก็อย่าไปเกี่ยวข้องอุ่นวายกับเรื่องของมันนั่นมันตำราธรรมะไม่ใช่ตัวธรรมะตัวของเราเองเป็นตัวธรรมะที่เยนาอยู่ในเราเท่านั้นมันเข้าถึงหมดทุกจุด เรื่องของธรรมะกูมีปัญญาเห็นอะไรทั่วไปเขาก็นำมาที่นิธิจรารณาเพื่อแกไขให้เกิดประโยชน์คนที่ไม่มีปัญญาเห็นอะไรถึงเป็นของมีคุณค่าก็ไม่ทราบว่ามันจะเป็นสาระประโยชน์อะไรก็ไม่เคยเก็บเคยหยิบออกมา แต่นั้นผู้มีปัญญาจึงเหติคนที่ไม่มีปัญญาตาของเราดูหูของเราฟังกล้วนแต่สิ่งที่จะเกิดธรรมะเกิดสาระประโยชน์ทางนั้นถ้าเรามีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาแม่พระพุทธเจ้าจะมานั่งบ่าแสดงธรรมใส่หูของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่เกิดธรรมะอะไรขึ้นเพราะเราไม่มีปัญญาผู้ที่มีปัญญาแม่ของปฏิกูลโขโค อ, อย่างอุจจ ะ, ะระปะสวะผู้มีปัญญาก็ ย, ยังนำไปทำประโยชน์คือทำเป็นปุ๋ยได้ใส่ต้นไม้ใบหญ้ายังงอก ง, งามขึ้นของในโลกไม่มีอะไรที่ไล่คุณค่าถ้า ม, มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของที่มีคุณค่าสาระสำหรับคนโง่ฉะนั้นเราทุกคนเคยศึกษาเคยปฏิบัติธรรมมาเรามีปัญญา หรือไม่มีปัญญานั้นจะต้องดูจิตใจของตัวเราท่านไม่ต้องไปดูที่อื่นถ้ามีปัญญายิเลตันหาโลภโกรหลงมันเข้าทัดถมโจมตีจิตของเราได้ไหมหรือหากมันห่างไกลออกไปจากจิตจากใจของเราเราตรวจดูจิตใจของเราเท่านั้นก็ะสาว่าเรามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้ามันมีปัญญาสิ่งใดที่มาก่อควาจิตใจให้วุ่นวายขัดขงวงเสามองเดือดร้อนสิ่งนั้น ปัญญาของเราจะขับไล่กำจัดสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆให้หายไปใจจะสงบใจจะสุขใจจะสบายมีหมายเื่องผู้ที่มีปัญญาทราบสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยก่อกวนใจให้เกิดทุกข์แต่คนไม่มีปัญญาไม่ทราบว่าอะไรตกลงมาไหลลงมารับเอาทางนั้นเหมือนกันกับคนที่ไปหาอยู่หาจินหา ลาตามถุงนาหรือตามหน่วยน้องต่างๆแมนะของเขากกดีเสวียนของเขากกดีเขาหวานลงไปหรือเขาสอนตามที่ต่างๆนั้นมันถูกทุกอย่างกุ้งห้อยกูปลามันก็ถูกยักเหยี่ยใบไ ม, ไม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกแต่คนที่ไม่มีปัญญาจะนํามาว่ามันถูกสวิงของเราแล้วเออนามาแก้งกันหมดมันก็กินไม่ได้ ทานไม่ได้นี่ธรรมะซึงมีอยู่ในกายในใจของเรากับธรรมนองเดียวกันอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภยัยรีบกําจัดจัดขับไล่มันไปอย่าไปเอาไว้เพราะมันเป็นพิษเป็นภัยเสียใจวิเลศตัวสําคัญพระคุณเจ้ากล่าวเอาไว้ว่ามีอยู่สามอย่างคือโลกโกรธหลงสามตัวนี้เป็นตัวการสําคัญเป็นทาง อกุศลเมื่อเกิดขึ้นกับคนคนใดแล้วคนนั้นจะเป็นคนชั่วคนเขียคือจะเป็นทุกข์เป็นโทษไม่มีสุขให้ถึงสิ่งของจะมีมากขนาดไหนด้วยความโลภของใจเป็นไฟไม่เผามันไม่มีความอิ่มพอของใจนี่แต่ยากได้ยิ่งวุ่นอยู่อย่างนั้นนี่คือความโลภ มันเป็นพิษเป็นไทยนอกจากนั้นอยากได้มากเข้าไปไม่ได้ซะในทางสุจริตกปล่าทุจริตเอาโกงเขาหรือขโมยเขาปล้นจีตขาดีเอาต่างๆนานา น, า น, านานานี่คือความโลภไม่เผาเจ้าตัวแล้วยังไม่แล้วยังไปไม่เผาคนอื่นให้เขาเดือดร้อนไปอีกแทนจริงแล้วมูลเหตุสําคัญคือความโลภเป็นอกุศลกรรม ี่บวกเราจะส่องขับไล่ออกไปจากใจของเราทางขับไล่เราจะส่องพิจิตรเจนาด้วยสติด้วยปัญญาของเราคนเขาสี่อดย า, ยากจนกว่านี้เขายังอยู่ได้สุขสบายเรามีมากมายขนาดนี้ไวยังไฝ่ฝันมัวเมาจนหาความสุขไม่ได้เราเป็นคนโง่หรือคนฉลาดจึงเป็นอย่างนี้ ต้องมีสติมีปัญญาสอนใจข้องตัวแต่ไม่เห้งอจีงงอมือไม่ให้ทําให้ทาจิงที่บริสุทธิ์จิงที่ไม่เป็นทิศเป็นภัยแก่ใจหรือแก่สัตว์อื่นคนอื่นทําได้แสวงหาได้แต่ถ้ามันโลภมากมันเกินขอบเขตอย่างนั้นมันเดือดร้อนตัวค้องตัวเองก็เกิดทุกข์คนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดในกับเราก็เกิดทุกข์อีก แต่จึงขับไล่มันออกไปทางพิจารณามันมีหลายทางที่จะพิ จ, จรารณาขับไล่เรื่องของมันพอโลภนั้นได้มามากขนาดไหนมันก่อหาบหามหอบหิวเอาไปเมยได้ทุกคนเกิดมามีความตายเป็นเมืองหน้าไม่ว่าคารวะาหรือบรนทชิตจะต้องมีความตายด้วยกันเพราะความเกิดเป็นต้นเหตุเมื่อมีเกิดแล้วความแปลปวนและตายนั้นไม่ต้องสงสยัย มันจะต้องตายไปวันใดวันหนึ่งแล้วการตายไปไม่มีใครหอบหิวหาบหามสิ่งที่เขาแสวงหามาใสด้วยถ้าเขาเอาไปได้ก็ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเพราะโลกอันนี้มีคนเกิดคนตายมานับไม่ถ้วนดังนั้นเราปูดที่ลุ่มหลงอยู่อย่างเขามัวเมาคิดปรุงมีแต่อยากได้เรื่องวัตถุเสาคล้อ ง, องเงินทองต่าง แต่จิตใจที่ถูกไฟคือโลกนั้นไหมมันเผานั้นเราไม่เคยดับเคยละงับมันด้วยธรรมะด้วยสติด้วยปัญญามันจึงเดือดร้อนบุนวายไม่มีความสุขความสบายสักทีแต่เราพิจารณาหาทางแก้ไขขับไล่มันจะมีความสุขความสบายของใจโดดกรธก็เหมือนกัน หน้าตาเป็นเศษเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นอยู่ปกติหน้าตายิมเยี่มยมแจ่มใสหน้าดูสวยงามแต่ถ้อว่าโกรธขึ้นตาก็เป็นตายักษ์ตาผีตาดำตาแดงขึ้นหน้าตาอาวัยวะทุกอย่างไม่น่าดูทั้งนั้นทำให้คนคนนั้นเสียสมแล้วก็ตายเร็วแก่ เ, เร็วเพราะความโกรธมันเขามันไหม้ กายใจของตัวโทษทุกข์ก่อตัวคนโกรดนั่นแหละเห็นก่อนเขาเราจึงควรแก้ไขขับไล่เรื่องความโกรธออกจากใจด้วยพิจรารณามีความเมตตาสงสารที่เขาห่วงเกินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ว่าโดยกายโดยวาจารเราต้องถือว่าเขานั้นรู้เท่าไม่ถึงการเขาเป็นเด็กเขาเป็นบ้าฮะความรู้ ยิงจังไม่มีเขาจึงยอมดายอมว่ายอมร่วงเกินหรือทำอะไรผิ ด, ดจากสินจากทรรไปเราให้อภัยเขาเมตตาเขาความโกรธของเราก็คอยจะลดละลงไปเพราะโกรธมันเผาใจของตัวแล้วไปเผาคนอื่นอีกถ้าหากเราไม่ระวังรักษาโกรธไปเท่าไรก็ไม่มีคุณค่าสาระ เขาโกรแเรายังไม่พอใจเห็นคนโกรธเขา้าเราไห่อยากดูไม่ว่าทำหรือพูดมันเป็นของเนา่าของเหม็นของสี่คนทั่วไปไม่ต้องการทางนั้นพอใจมันโกรธคนไปดีๆไม่มีอะไรเสียหายมันก็โกรธเพราะความโกรธในใจมันใหม่มันเผาดังนั้นเราอย่าเป็นคนโกรธ อยากเป็นคนสวยคนงามอยากเป็นคนมีอายุยืนไม่แก่เกินวัยรักษาจิตรักษาใจของตัวด้วยเมตาตากรุณาสงสารคิดนิพจรารณาคิดอ่านเกิด อ, อาจเกิดทมเมื่อมีอาจมีธรรมประจําใจมีสติโกรธกว่าดีโลภกาดีมันไม่เกิดขึ้นจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากใจพอมันจะเกิดขึ้นเท่านั้นถ้ามีสติมันรู้ทัน ว่าอันนี้เป็นพิษเป็นไทยเป็นอันตรายแกย่กายแก่ใจแก่อัดแก่ทำเราไม่ยอมชิดปรุงไม่ยอมเกี่ยวข้องไม่ยอมทำตามอำนาจของมันมันก็ระงับดับไปความหลงก็คือความไม่รู้ตามเป็นจริงฉันว่าอริชาทางภาษาวัดแปลแบบความหลง ไม่ใ่ความหลงจริงจังนะความหลงอันนี้ทุกคนมีความรู้แต่มันรู้ผิดไม่รู้ตามเป็นจริงของมันทันจิงบว่าอวิชาคือความรู้ผิดใม่ใช่ความหลงถ้ามันหลงไม่รู้อะไรเสียเลยมันก็ไม่ทราบว่ามันหลงนี่มันหลงทง้งลูรู้เนี่ยมันแก้ไขา ย, ยากไม่มีทางอื่นเรื่องอื่นที่จะแก้ไขใจของเรา ให้เข้าถึงความเป็นจริงได้นอกจากแตพิจาจรณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรวงวางไว้สอนไว้เท่านั้นธรรมะนี้เป็นที่แก้ไขใจที่ลุ่มหลงมืดบอดให้สว่างสวัยให้เห็นถนนหนทางไปได้อย่างสะดวกสบายความหลงนั่นมันหลงตนค้องตนเป็นตนเหตุจึงไปหลงสิ่งอื่นเรื่องอื่นนอกจากตัวข้องตัว ถ้าหากไม่หลงตัวข้องตัวแล้วจริงภายนอกทั่วไปมันก็รู้ก็เข้าใจตามเป็นจริงของมันแตนั้นจริงศึกษาพิจรารณาเรื่องความหลงในตัวมันหลงอย่างไรหลงว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาหลงว่ามันสวยมันงามมันหนุ่มมันแก่หลงไปต่างๆนานาเพราะใจมีกิเลสตัณหา เป็นศาสดาสอนใจไม่มีธรรมะภายในที่จะแก้ไขขับไล่ความหลงส่วนนั้นท่านจึงให้เจริญภาวนาสมระมันความจริงสมมุติอันนี้กับจริงสมมุติอันหนึ่งไม่ปฏิเสธแต่เธอว่าจริงปรามาัตดขั้นเขาภายในมันยังมีอีกไม่ใช่มีแต่เพียงสมมุติเท่านี้สมมุติอันนี้คนทั่วไปเข้าใจกัน แต่ปรามาทนั้นจะต้องอาศัยการฝึกจิตฝึกใจจริงจังจริงใจทราบจริงใจเห็นเมื่อรู้เรื่องปรามาทสมมติที่มีอยู่ก็ยังคงเส้นคงวาอยู่แต่รู้ว่าอันนี้เป็นสมมติไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของใจจริงนี่คือการฝึกจิตอบรมใจเพื่อแก้ไขความหลงหลงตัวว่าชั่วว่าดี้่ะมีว่าจนต่าง ความจริงตัวของเรานี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่นี้มาประชุมกันเขา้ามีจิตเป็นผู้มาอาศัยแล้วก็ถือว่าเราว่าเขาถ้าหากพิจารณาแยกธาตุออกไปตามความจริงของมันธาตุเหล่านี้มันเป็นดินเป็นน้ำเป็น ลมเป็นไฟอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลถามดูก่อนพอจะทราบได้ผมขนแล้วฟันหรือเป็นตัวตนคนสัตว์มันไม่ตอบทางนั้นหน้าที่ของมันประชุมกันอยู่มันก็ประชุมกันไปด้วยอำนาจที่เรายังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่และบำรุงรักษาด้วยอาหารการกินต่างๆร่างกายจึงเติบโตขึ้นมา แต่เชื่อว่าร่างกายอันนี้มันเกิดขึ้นและแป่พวนแปกสลาย้องมันแล้วก็ไปสู่จุดเดิมของมันธาตุอะไรเคยเป็นอะไรมันไม่เคยหายไปที่ไหนมันจะไปสู่จุดของมันธาตุดเดิมของมันทุกธาดุฝายใจของเราผู้รู้ผู้เข้าใจอย่างนั้นมันจะต้องแยกออกจากธาตุจากขันและตัวผู้กระทาบําเพ็ญภาวนานั้นใจเห็นจริงว่าจิตนี้ ไม่ใช่เรื่องของธาตุสี่ขันธ์ห้า 5. เป็นอันหนึ่งพิเศษถ้าไม่เห็นจิตก็รักษาจิตไม่ได้จิตฟ่องสายจิตเศร้ามองเราพูดตามจำหลับจำราแต่ตัวของเราเองไม่เคยเห็นว่าจิตเป็นอย่างไรเพราะเหตุใดเพราะปัญญาของเรามันยังยาบตาในของเรายังไม่มียังไม่ลืมตาจึงมองไม่เห็นเรื่องปัญญาสี่จะดสำลักยิเด็ดตัณหาของตัวไม่มองเห็นใจของตัว วถึงมันจึงโลภจึงโกรธจึงหลงอยู่เรื่อยถ้าหากเรามีปัญญาสำลาดใจให้เข้าถึงความจริงแล้วถึงว่าใจหลืจิตนั้นจะเป็นนามธรรมปัญญากรละเอียดเป็นนามธรรมเหมือนกันรู้ทันเข้าถึงเรื่องของความจริงจึงทราบวะคนเกิดมาหรือสัตว์เกิดมาที่มายึด ขาดสี่ขั้นหเป็นตัวตนคนสัตว์ลุ่มหลงเสียใจดีใจในเรื่องเหล่านี้ทําให้เพลิดเพลินโลงไหลทำให้ร้องไห้เศร้าหมองเพราะความหลงสิ่งเหล่านี้ไม่รู้ตามนาที่หรือตามเป็นจริงของมันเมื่อรู้ตามเป็นจริงของมันแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีอะไรที่จะแตกจะตายจะหายไปจากโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ไหนจะไรมา เราไม่เคยพิจารณาเราจึงลุ่มหลงถ้าเราพิจารณาเข้าเห็นตามเป็นจริงแล้วเราจะลุ่มหลงที่ไหนเพราะอะไรมันเป็นอย่างไรเราทราบจากจิตจากใจของเราที่ได้รู้ได้เห็นเด่นชัดนี่คือการภาวนาคนที่เห็นอาจเห็นธรรมภายในใจมีจิตใจตั้งมัน่นมีจิตใจไม่หวั่นไหว่านจึงไม่มีการเสียใจเมื่อเวลาถอดขัน แผลผันแตกสลายท่านอยู่สุขอยู่สบายของท่านเพราะท่านไม่ถือว่าท่านตายเพราะธาตุชั้งสี่มันขอไปสู่ธาตุชั้งสี่จิตที่เราอบรมฝึกดีแล้วมันขอเป็นจิตไม่มีอะไรที่จะแตกสลายตายไปมันไปสู่ความเป็นจริงของมันเท่านั้นนี่คือจิตใจของท่านผู้ประพฤติปฏิบัติทางภาวนาจะต้องรู้ต้องเข้าใจ ชัดเจนเป็นจริงท่านจึงไม่หลงวุ่นวายตามเรื่องของขาดของขันหรือเรื่องของโลกเมื่อจิตไม่วุ่นวายรุ่มหลงความถูกความสบายไม่มีอารมณ์ชัญญาอะไรมายอยู่อายุให้จิตเศ้ามองขุ่นมัวจิตก็ผ่อนใสจิตก็สุขจิตก็สบาย นี่คืออานิสง์ของการฝึกจิตอบรมใจไม่อย่างนั้นการอา่านตำรับตำร า, าหรือการฟังธรรมะธรรมโมข่าวใหม่เป็นไม่เห็นไม่รู้มันก็ไม่ได้ผลใดประโยชน์อะไรเหมือนกันกับเราถูกกลิ่นอาหารมันไม่อิ่มให้ได้แต่กลิ่นของมันเท่านั้นเราฟังกันอ่านกันพอรู้จักแต่ไม่ได้รับรบของอาหารเยังจะได้กลิ่นมันไม่อิ่มน้ำซ้ำลานให้ ความหิวมีอยู่อย่างไรเมื่อหิวอยู่อย่างนั้นการฝึกอบรมจิตใจของตัวด้วยการภาวนานั้นเหมือนกันกับเราทานอาหารเราฉันอาหารมันมีวันอิม่มมีกำลังทางกายขึ้นถ้าเราทานอาหารนี่ถ้าเราศึกษาที่จรนาปฏิบัติธรรมะเราก็มีวันอิม่มวันได้สัมผัส กับอัรทำที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรความสุขความสงบของใจความละความถอนกิเลสเราจะต้องทราบไม่ต้องไปหาใบประกาศนิยบัตมาจากที่ไหนไม่ต้องให้ใครรับรองให้เพราะทาเป็นแสนสิทธิโกคือจะต้องเห็นเองจากการปฏริบัติของตนไม่มีอะไรที่จะปิดบงังขอบงามโอ้นี่คือการปฏิบัติ ทุกคนเกิดมาขวมุ่งหน้าอยากจะไปสบพบความสุขความเจริญไม่ใช่อยากจะเป็นคนโง่เขาเบาปัญญาอยากจนเข้นใจไม่มีใครปาดินารฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจึงว่าเป็นโชคลาภจิตโฉมนุสสะปฏิลาโภโอเป็นลาภอันปเสยเสดเพราะสัตว์อื่นจำนวน แสนจํานวนล้านเขาไม่มีการที่จะมาจําศินภาวนาละกิเลสได้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราเนียเราสอนให้มันก็ไม่เข่าจิตเข่าใจผันถือว่าเป็นอา ภ, าภาิพาสต์สัต์ที่ไม่ควตรตัดสรู้คือไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้นี่เราเป็นมนุษย์ผันว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภพอที่จะละ จะบำเพ็ญสิ่งที่ดีที่ชั่วได้และตัวของพวกเราทุกคนก็ยังมีชีวิตเป็นอยู่จึ่งไม่โลมหายตายไปมีทางที่จะแก้ไขขับไล่สิ่งที่ชั่วเสียต่างๆออกไปจากกายวายายใจของตนการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สูงยิ่งกว่าสันแล้ว มันก็นไม่มีอะไรที่จะติดแปกแตกต่างกันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเหมือนกันและไม่มีคุณค่าเท่ากับสัตว์ใช่อีกเพราะเนื้อหนังของสัตว์ยังขายได้เนื้อหนังของมนุษย์ขายไม่ได้ไม่มีใครที่จะยอมซื้อไปผัดไปแจงไปทเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มนุษย์ด้วยกันไม่ปรารถนาถ้าหาก มันตายไปมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังเป็นอยู่ความลุ่มหลงของจิตของใจมันลุ่มหลงว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้อยากจูบอยากกอดเพราะความมืดบอดของใจในเดีพี่เจนาะตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนถ้าพี่เจนาะตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนราธาตันหาความกำหนดยินดีในจิตในใจนั้นมันจะแก้ไข ตกไปได้เพราะธรรมะนั้นซองสว่างเข้าไปภายในกายให้เห็นตามเป็นจริงว่ากายอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของดีของ ด, องดีมีแต่ของปฏิกูลโสโครกเหมือนต่อมของฝีไหลออกมามีตังแ่านาเหลืองนาหนองของโสโครกปฏิกูลเราอยู่เดียวนี้มันก็ไหลออกมา อยู่ทุกวันทุกเวลาไหลออกมาทางตากมว่ามูนตาขีตาไหลออกมาทางจมูกเหมือนกันออกจากตาจากฟันกวกท่าน้องเยียวกันไม่มีอะไรมันสวยมันงามมันดีมันดีให้แต่ความลุ่มหลงของใจถูกสมมุติถูกจีเรตันหาขอบงามาระยะเวลายาวนานไม่ได้เคยคิดอ่านว่าความจริงของมันเป็นอย่างไรจึง หลงไหลไฝ่ฝันยึดถือสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปฏิกูลโสโครว่าเป็นของดีของดีของสวยของงามนี่คือจิตหาจาักอัด จ, จัรทมไม่เห็นตามเป็นจริงให้จึงหลงไหลไฝ่ฝันฉะนั้นการที่จะได้นาทาจึงมีทางที่จะกำจัดขับไล่ความสงสัยความหลงของใจให้ตกออกไป เมื่อความหลงคล้องใจตกออกไปความรู้จริงเห็นแจ้งก็เกิดขึ้นเมื่อมันรู้จริงเห็นแจ้งว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรตามเป็นจริงของมันแล้วมันจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันมันจึงไม่ยึดไม่ถือในสิ่ ง, น, งนั้นนั้นนี่คือเรื่องปัญญาเรื่องธรรมะละกิเลทุกคนมีสิทธิที่จะประพฤติปฏิบัต ให้เห็นให้รู้ไม่ใช่ว่างมีแต่หน้าที่ของพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์เท่านั้นเพราะธรรมะเป็นของกลางใครนําไปเปพื่อปฏิบัติกําจัดจิเลตัญหาคนนั้นจะได้รับความสุขความสบายคนขาดธรรมะคนไม่มีธรรมะคนไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเกิดมากวหนักแผ่นดินรกแผ่นดินอยู่สถานที่ใดทําความ กอกวนวุ่นวายเดือดร้อนให้แกสถานที่นั้นถ้าคนมีธรรมะในจิตในใจของท่านไม่เป็นอย่างนั้นอยู่สถานที่ใดก็มีความสงบทั้งกายทั้งใจไม่เป็นภัยอันตรายอยู่สถานที่ใดเขาก็ศกาะบูชาเคารพกราบไหว้เพราะท่านเป็นผู้ดีไม่มีพิษมีภยัยตัวของท่านเองก็มีการสุขกายสุขใจของท่าน เป็นสุ ข, ขะโตทั้งที่อยู่ที่ไปไปสถานที่ใดไม่เคยถูกคนขับไล่เพราะมีแต่คนปรารถนาเพราะถ่านเป็นผู้ดีมีคุณค่ามีเราเป็นอย่างนั้นหรือไม่ <c oughs> ดูแต่ภายในของเราก็าพอทราบว่าจิตใจของเราคงเส้นคงวามีธรรมะรักษาอยู่ตลอดไหมหรือหากมีตั้งแต่อารมณ์สัญยากเกลียดตัณหาเกี่ยวพัวพัน วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาดูใจของตัวนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมะอย่าไปปฏิบัติที่อื่นเพราะจิตเรียนมันเกิดขึ้นจากใจของเราโลภโกรธหลงแล้วมรรคผลมันจะเกิดขึ้นจากที่ไหนความมืดมันอยู่ในที่ใดเราตามไฟขึ้นแถานั้นความมืดมันก็หมดไฟความสว่างมันก็เกิดขึ้นนี่เราเคยมืดเคยบอดมามันจึงหลุ่มหลงเรื่อยมาโดยแม่น้า ธรรมะมาแก้ไขกายใจของตัวทำนำธรรมะมาแก้ไขความชั่วต่างๆมันตกออกไปความเบื่สบายเป็นอย่างไร <c oughs> เราจะทราบเหมือนกันกับโรคของเราในกายเมื่อมันมีอยู่ในกายมันก่อทากายให้เป็นทุกข์จะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายจะขับถ่ายจิ้นดื่มอะไรมันไม่สบายทั้งนั้นของนั้นจะมีคุณค่าสาร ะ, ะขนาดไหน จะเป็นของดีวิเศษขนาดไหนถ้าโรคไัยเบียดเบียนหนักเขา่ามันไม่มีความสุขให้กายอันนี้ไม่มีอะไรที่จะหนักเข่ากายแขนขาของเราทําไม่มีโรคภัยจะเดินเหินไปที่ไหนก็ได้หยิบยกอะไรก็สะดวกสบายแต่เมื่อโรคภัยเบียดเบียนหนักเขา่ายกไม่ขึ้นนะขายกไม่ขึ้นแขนยกไม่ขึ้นตาลืมไม่ขึ้นปากอะปากอ้าไม่ออกไม่ได้มันขนาดนั้น ความทุกข์หนักเขา่าโรคภัยมีมากเท่าไรกายก็ยิ่งใน ม, มีคุณภาพเท่านั้นใจของพวกเราทันก็ทํานองเดียวกันถ้ามีกิเลสตัณหาหมากเท่าไรใจก็ยิ่งเมือ่อยยิงบอดยิ่งเดือดยิงร้อนไม่มีความสุขความสบายให้กระวนกรวายกระสับกระส่ายทั้งทั้ ง, ท, งที่กายไม่มีโรคภัยแต่ใจมันเป็นทุกข์เพราะอารมณ์สัานยากิเลสตัณหาเพียดนั้นเราจึงควรสําระ ถ้าเราถือว่าเรามีคุณค่าเราต้องสําระอย่าไปเจ็บเอาของเน่าของเหม็นของใหม่เป็นประโยชน์มาไว้ของฉีดเป็นพิษเป็นภัยของใหม่ของเผาควรกําจัดมันออกไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรของตัวเมื่อเราสําระที่เหลือตัณหาสําระความชั่วจากใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญาอยู่สม่ําเสมอ ใจนั้นมันจะสว่างสวยัยใจนั้นมันจะสะอาดใจสงบเราจะมีความเยือกเย็นเป็นสุขจะนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินเหินไปที่ไหนก็ดีไม่มีอะไรที่จะเป็นข่าสึกของใจเพราะข่าสึกนั้นได้ขับไล่ประหาสประหารไปหมดแล้วนี่พระอริยะเจ้าทา่านกระทำบาเพ็ญมาอย่างนั้น ท่านก็อยู่ในโลกเหมือนกันกับพวกเราตามีหูมีจมูกลิ้นกายมีใจมีไม่ใช่ท่านเป็นแบบพระพุทธรูปยินถ่ายเหมือนกันแต่ท่านไม่จิตไม่คล่องท่านไม่เศร้าไม่มองในจิตในใจของท่านทําไมท่านถึงทําได้เพราะท่านต่างหน้าต่างตาภาวนาไรกิเลสท่านจึงทําได้ เราเห็นว่าอาภาพอาวัสนาไม่มีสติปัญญาแล้วไม่ทำมันจะเกิดขึ้นจากที่ไหนสติปัญญาวิชาความรู้อยูย่ๆก็จะให้มันเกิดขึ้นเองโลกมนุษย์ไม่เหมือนโลกอื่นมันเกิดผุดขึ้นไม่ได้บ่านช่องข อ, ง ข, องของต่างๆต้งตงตองสแสวงหาทำมามันจึงเกิดขึ้นนี่สติปัญญาวิชาความรู้ก็ทําทนองเดียวกันเราต้องศึกษา มันจึงเกิดขึ้นเราต้องภาวานามันจึงจะเกิดขึ้นจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ๆจะให้มันเกิดขึ้นเองของเกิดขึ้นเองโดยมากไม่ค่อยมีคุณค่าสาระให้อย่างของต่างๆที่ไม่มีคุณค่ามันเกิดขึ้นในไรในสวนของเขาของปลูกฝังเอาไว้โดยมากอยากจะมีแต่มแมลงหรือ สิ่งต่างๆมาเบียดเบียนให้ร่มหายตายไปถ้าไม่ร่วงรักษาจริงจังของดีมีคุณค่ารักษายากอย่างนั้นจิตใจของพวกเราทฉันก็ยิ่งเป็นของมีคุณค่าสูงจะต้องดูแลรักษากิเลสตัญหามันเกิดขึ้นถ้ามีสติมีปัญญามันกลัวทราบเมื่อมันทราบว่าเป็นของใน ม, มีคุณค่าสาระเป็นภครอันตรายแก่ใจเราก็ กจาจัดขับไล่ออกไปได้นี่เราไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นมาจากที่ไหนมันจึงลุมล้อมอยู่ตลอดเวลาพอเรามืดบอดทางสติปัญญาสนั้นจงพากันที่นิพจารณาศึกษาปฏิบัติเส้าดูจิตของตัวชั่วดีมันก็รู้ถ้ามันเกิดขึ้นในจิตในใจของตัวอย่าไปคิดว่าธรรมะมันอยู่ที่อื่น ถ้ามองข้ามจากกายจากจิตของตัวไปเห็นว่าธรรมะอยู่กับสำหรับตําราแล้วคนนั้นไม่มีทางที่จะละกิเลสตัณหาให้ขาดตกออกไปจากตัวของตัวได้เรียนมามากเท่าไรก็เกิดทิฏฐิเกิดมานะ่ยพอเราเรียนมาได้มากเท่านั้นเท่านี้จะมาดูหมิ่นนินทาเราหรือแต่กิเลสตัณหาภายในที่มัน กลุมรวมการจินใจมันเป็นอย่างไรล่ะมันอ่อนลงไปหรือมันหนักเข้าต้องดูภายในเป็นโอปะณัจโกน้อมเข้ามาพิจารณาภายในเพื่อขับไล่ความสงสัยความความจิตคิดแวะต่างๆของจิตให้หมดไปให้ใจมันผ่องสายใจมันสงบใจมันเย็นต่าง่าตต่างคนมาบวชในพระพุทธศาสนาก็ดีมุ่งหน้ามุ ง, นานมงตา มาปฏิบัติธรรมะในป่าในเขาก็ดีระยะทางก็ยาวไกลกว่าจะมาได้เป็นการเป็นสมัยกว่าลําบากฉะนั้นเมื่อมาถึงสถานที่ควรปฏิบัติก็ต้องตั้งหน้าตัาง้งตาปฏิบัติพออยู่บ้านก็ถือว่าจะไปวัดไปปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบเมื่อมาถึงแล้วได้ปฏิบัติ ตามความคิดความปรุงอยู่ในบ้านหรือไม่หรือหากเพียงแต่มาเห็นวัดก็ดีใจกลับไปก็ไม่มีอะไรที่จะติดตัวเพราอไม่เห็นไม่เป็นถ้าฝึกฝนอบรมจิตใจของตนได้รับความสงบส ง, งัดปฏิบัติรู้ธรรมเข้าใจธรรมจริงจังจะไปสถานที่ใดมันก็ไม่ลืมไม่หลงพราะเราเห็นเราเป็นเรารู้ มันมีอยู่ในใจของเราความสงบเย็นของใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านจะต้องกระทำบำเพ็ญให้เกิดให้เห็นให้เป็นให้รู้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีอำนาจบาตร์นาคนตายเท่านั้นที่เขาจะประพฤติปฏิบัติไม่ได้เพราะมีแต่กายจิตมาอยู่ mm hmm. เพียงแต่จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ไหว้พราสวนมนอะไรมันก็ไม่ได้เพราะคนตายนี่เรายังมีคุณค่าทาชั่วทำเสียทำไมฉลาดหลักแหลมคิดได้ปรุงได้เรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆฉลาดมากซึ่งพระพุทธเจ้าไน่ทรงสันลเสริญแต่จะหาอัดทำมาเนะยนำสั่งสอนใจของตัวทำไมมันจึงไม่มีสติไม่มีปัญญาเลย สอนตัวพิจารณาตัวเพราะความส่วนความดีมันมีอยู่ในที่นี้ไม่มีอยู่ที่อื่นเมื่อทุกคนกำหนดพิจารณากายวาจาใจข้องตนด้วยสติด้วยปัญญาขับไล่สิ่งที่เป็นเศียนหนามค้องใจออกไปทำใจให้สว่างสวัยให้สงบเย็นแล้วเราทุกคนที่ประพฤติปฏิบัติศาสนา ก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าสาระสูงตัวของตัวเองก็ไม่ได้ตั้มนี้ตัวชั่วตัวเสียที่ไหนคนอื่นเขาเห็นก็ไหวเนื้อเชื่อใจน่าเลื่อมใสศรัทธาชื่อว่าเราทุกคนที่ปฏิบัติรักษาอย่างนั้นได้สืบต่อพระพุทธศาสนายังคนอนุชนรุ่นหลังให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นเพราะพวกเราทานกระพื่อปฏิบัต ได้รับความลมเย็นเป็นสุขจริงนี่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นคนไปวัดไปวายิ่งเป็นคนมีกิเลสตัณหาหนักแน่นเข้าบนเก่งระพืดชั่วเสียหายโดยไม่คำนึงคำนวณถึงว่าเราเขาวัดเขาวาไปทําแบบนี้ไปพูดแบบนี้มันจะเสื่อมเสียไปในทางศาสนาจะทําลายเหยียบยำ่ำเรื่องพระศาสนาเหยียบย่าวัดวาือครูอาจารย์ ถ้าหากเราประพฤติชั่วเสียและมีสติคิดว่าการพูดชั่วทำชั่วนั้นเราเขวัดเขวาวารอบปะกับครูกับอาจารย์แล้วแลวเคยฝึกฝนอบรมมาพอสมควรแล้วทำไปคนอื่นเขาจะดูหมินม่นนินทาเรื่องของพระศาสนาะซึ่งเป็นของบริสุทธ เราเองเป็นบาปในตัวของเราแล้วยังไม่แล้วยังทำให้คนอื่นเกิดบาปขึ้นอีกเพราะเขาดูหมิ่นนินทาหยียบย่ำทำลายศาสนาค่ะมีสติสอนใจของตัวอยู่อย่างนี้ก็ยังพอที่จะมีทางสผื่อพืปฏิบัติดีชอบไปได้ค่ะวัดว่าศาสนาเราเคยไปเคยมาเคยพบปะรูบาอาจารย์ที่เขาเหลื่อมใส่ศรัทธาเขาถือว่าเป็นผู้ดีวิเศษ แต่กิเลสตัณหาของตัวไม่ลดไม่ละทำไปตามภาษีภาษาของกิเลสไม่ได้คิดว่าตัวของตัวเขาวัดเขาวาเคยรักษาศีลภาวนามามันเลยเสียไปใหญ่แต่นั้นทุกท่านที่มาสดับรับฟังโอวาตรทำสอนจงนำไปคิดนิพพิจารณาละชั่วบําเพ็ญดีต่างหน้าต่างตา แต่ทำบเพ็ญให้เห็นให้รู้จิตใจของตนที่ชั่วเสียรีบชำระสะสางออกไปจิ่งใดที่นำความสุขความเย็นเย็นของใจรีบกต่ทำบา เ, เพ็ญพอชีวิตเป็นของนิดหน่อยไม่ถึงหมื่นปีพันปีมันจะต้องตายลมหายไปถ้าไม่รีบเร่งกะ่ทาขนขวายเอาไว้เมื่อตายไปจะเสียใจภายหลังฉะนั้นขอทุกท่าน เมื่อได้สะดับตับฟังทำมะบรรยายมาจงนำไปที่นิที่จะได้น า, นาศึกษาต่อพฤชปฏิบัติต่อจากนั้นไปสัขท่าคทุกคนก็จะมีความสุข ก, กายสุขใจการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรกับเวลาเพราะอยุติเพียงแก่นี้เอวัง